Sama Sambutatsa Namo Tatsa Bhagavadu Arahatu Sama Sambutatsa Namo Tatsa Bhagavadu Arahatu Sama Sambutatsa Suwakatu Bhagavadu Dhammuti Nyimasa Dhamma อทโทสาธายะสมันเตหิสัพกัดยังธัมโมโสตะโบติณ สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ ต่างกับลงวางพละสิ้นวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเป็นประโยชน์ใน <c oughs> ในพระพุทธศาสนาซึ่งแต่มีความตั้งใจราชการมาก็เช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพื่อ จะอันยิ่งให้แก่ชีวิตของตนในสิ่งที่เป็นคุณ มีคือประโยชน์ในโลกนี้ได้แก่ในชีวิตปัจจุบันทันตาประการด้วยกันคือประโยชน์ใน เศรษฐีมากเพราะได้มีประโยชน์ในปัจจุบัน วัตถุอันได้ชื่อว่าสมบัติต่างๆนั้นก็ย่อมจะหมดความหมาย สัตว์แล้วก็เมื่อไรไปได้แกริตแล้วก็มลายไปได้ คือเป็นที่พึ่งอันทั้งหลายนั้นวางใจไม่ เราผู้ที่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดความโง่ความมืดปราศัจจ์เหตุ เขาก็ย่อมจะแสดงให้เราเลิดเห็น ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมั่นยึดเอาสิ่งเหล่า ชื่อว่าก็ได้แก่เรื่องของสนาที่พึ่งอันไม่เป็นสิ่งที่สาระ แล้วปลงวางกันมากบ้างน้อยบ้างประโยชน์ในปัจจุบันแล้ว ที่เอาไว้ได้เสริมสมเอาไว้ให้มาด้วยสําหรับ เรามีความสนใจและเป็นบินไปแล้วกันใช้ได้ทรัพย์สมบัติที่มาอนุเคราะห์ กันและกันก็เช่นบูชาพระพุทธพระทรงบูชาคุณ ย่อมกอให้เกิดก่อให้เกิดคุณประโยชน์ความดีอันเป็นที่ ที่จะไปรถละเบาสามารถที่จะถึง ราบอันเป็นตัวปฏิบัติต่อโดยลาภคาบและ ได้วางพระพุทธศาสนาให้พวกเรา พระองค์ทรงบำเพ็ญไม่มีสิ่งใดเหลือบรรดา โหเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันฐานเสียสระอันได้ชื่อ ดีการเสียเริ่มต้นจากจุดโทสะคือคิดปะทุษร้ายอันไม่เชื่อเราพยายาม ที่ออกไปจากใจเราขึ้นในจิตใหญ่ของเราออกไปจากใจเราถึงทั้งหลายจะเสีย ไม่ว่าทั่วคืน 1 ไมวัน 1 เดือนวันเดือน 1 มีอยู่ถึง 3 ประการประโยชน์ในโลกปัจจุบันกล่าวแล้วประโยชน์โลกหน้าและ คำว่าโลกหน้าก็ย่อมมีอยู่สําหรับสัตว์ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ไปนั้นก็ย่อม ของหิในปัจจุบันณชาติที่เรามีลมหายใจ และเป็นที่ไปประกาศบอกถึงผลซึ่งมาจากเหตุดีที่ที่ไปอีกนั้นประกาศบอกถึงผลซึ่งมาจาก แต่ว่าประกฏผลเพราะพวกเราทั้งหลายถือและเข้าใจว่าเข้าใจรู้และ กันอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คืออย่างพอตัวถ้าหาก ทั้งเหตุดีและเหตุชั่วความสําคัญมัน เหตุแห่งความดีได้ยังเต็มความปรารถนา ล้วนแล้วมีอยู่ภายในตัวของเราอยู่นอกตัวทั้ง 5 ตะวัง 9 หรือได้ชื่อว่า มันก็มูลฐานที่จะก่อให้เกิดเป็นภินนอกอยู่นั่นแหละไม่ใช่ในมูล ธรรมประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นมูลรากคุณความ มีการเจริญภาวนามีการเผื่อเผื่อแผ่ ด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงวัตถุมีน้ำใจเป็นที่ตั้งต่อกล่าว ได้แก่คุณธรรมคือความเมตตาเมตตาจิตคิดจะให้สัตว์ สาธุกันทั้งที่เราจะรู้รู้ก็ตามใกล้ก็ตาม ในเหตุการณ์ตลอดถึงคุณธรรมอื่นๆก็จะพรั่งพรู ทำไมเรียกว่าเมตตาตัวของเราก็การที่เราให้มองเพิ่นเผินๆแล้วก็เหมือน กว่าเราแม้แต่เล็กน้อยนั้นหลุดจากเงื้อมมือของๆกว่าจะทําได้อย่าง การที่เรามาสํารวมกายวาจาไม่ให้เกิดบาปของกิเลส เพียงแค่กายติดตามถึงจิตใจวาจาสันแค่นั้นพวกเราทั้ง แต่น้อยอย่างยิ่งเพื่อนพุทธบุรุษทั้งหลายแลจะเป็นนัก เช่นมีน้อยโดยมากก็จะมีกันอยู่เพียงแค่กายกับวาจาบำเพ็ญกันอยู่ในขนาดนี้นั้น แต่ถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์ดูจริงแท้แล้ว เจ้าขุนมูลนายได้รับการศึกษาสูงมีเป็น คุยแข่งพระเด็ดแข่งพระถ้าถึงนี่เสีย ย่อมไม่โหยดไม่คุ้มค่าอย่างนี้แต่พวกเรานั้นเนี่ยที่เป็น ได้จากการมีชีวิตนี้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการมีเราก็ถือเอานี้อย่างครบถ้วน ผืนปฐพีอันได้ชื่อว่าเลือกสวนไร่ของ ตอนต่อไปนั่นต่อไปนั้นนุปมาเหมือนกับการทําไถทํานาทําสวนถึง ต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปยิ่งๆซึ่ง เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดต้องเอาใจใส่กันอย่างจริงจังให้ทัน เราทั้งหลายแม้ในกายในจิตของเรา ได้เลือกว่าได้คือดีแล้วแล้วก็เป็นที่พอใจ 1 วัน 1 ก็ 7 วัน 1 ปี 1 หรือตลอดกาลก็ วัดอสုတ်กรรมฐานนอกจากทําวัดเช้าวัดเย็นเวลาภาวนาเป็นจําตั้งแต่สร้างวัดอโสการาม ที่พระมาอยู่จำพรรษาธรรมยุต 3 ปี 2590 อยู่ 11 ลูกโดยมีท่านพ่อเป็นประธานมีท่านพ่อ 2499 ก็ ยังไม่เคยขาดเป็นระเบียบมาตรฐานเหมือนอย่างปัจณีก็ตาม คืนอุบาสกอุบาสิกาขึ้นอบรมพระเนนไม่ต้องคืนพวกนี้ เคยทอดทิ้งให้ว่างไม่เคยเว้นจากจิตดังกล่าวนั้นอย่างที่พวก เราปงวางภารกิจธรรมมาค้าขายปงวางๆก็ การจารณสนิททางจิตทางนั่นคือความไม่ถูกไม่ถูกเรื่องไม่เสีย ถ้าเรายังมีนิสัยจิตใจยังรักชอบที่จะพกพามา ไม่เหลือวิสัยความเพียรความพยายามที่เราละเอียดยาก แม้แต่เราทั้งหลายเกิดมาแต่อายุไม่เท่ากันสูงสุดก็มีหลายเกิดมาดูสินั่งใน 70 80, 80 ปีอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ แต่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านละท่านถอนออกมาถอนทิ้งได้ถอนดิ้งทั้ง การกระทําเป็นนิสัยการพูดนั้นเรื่องนี้เป็นนิสัยเราสร้างกันขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วๆทําบ่อยๆมัน ไม่ลึกซึ่งที่เราจะรับและก็ไม่ต้องใช้อุบายนี่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเรามี มันเจาะบ้างเพี้ยมันลงบ้างเหล่านี้เป็น 5 กรรมศีล 10 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 เป็นศีลเป็นศีลของ ยันๆขั้นต่ําๆก็ได้แก่ท่านผู้ที่บรรลุโลกุตตรธรรมได้แก่พระโสดาบันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตผล แม้ผู้ที่เป็นพระอยู่ในขั้นตอนของโลกิก็ยังไม่อาจสามารถที่จะรักษาได้นั่นคือหมายความว่าเราอย่าไปวัดไปเทียบว่าพระอยู่ในขั้นมีพระโซดา เป็นต้นต้นท่านย่อมถือศีลสําคัญยิ่งกว่า ศิลป์ปุถุชนที่นั่งก็อยู่ในที่นี้หมายถึงว่าปุถุชนน่ะนะหรือใครจะ ไม่ได้ช้างก็อาจจะได้เหมือนกันโตอะไรถึงจะใหญ่เท่าช้างนี่นี่แหละคําว่าปุถุชนธรรมะขั้น ก็มีอยู่ในสําหรับท่านผู้ที่บรรลุโลกุตตรธรรมเท่านั้นเป็นมาตรฐานและ โปรเจกต์นั้นมันก็เป็นธรรมดาปัญหาต่างๆคำว่าปัญหาต่างๆไม่ใช่ว่าคนโน้นสร้างเรื่องนั้นเกิดขึ้นคนนี้สร้างเรื่องนี้เกิดขึ้นคนนั้นสร้างเรื่องนั้นเกิดขึ้นไม่ มันย่อมจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเดี๋ยวมันก็รักษาได้สํารวมได้ทําได้เดี๋ยวมันดับๆยุบหนอ ไม่ถึงขนาดที่จะเด็ดศีรษะของตนให้ขาดสะบั้นไปจากตัวด้วยเล็บมือของเป็นสมมุติเป็นพระโดย จนเกินไปธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของพระ หรือว่าคุณสมบัติคุณสมบัติของการเป็นบรรพชิตหรือสมณะมันก็เลย มีการนบแนวของการแสดงบางท่านไม่มีการนบไม่มีกฎเกณฑ์แล้ว มันก็เป็นเรื่องบางบางในวันวิสาขะมันก็ไม่ เรียกว่าวันจตุรงคสังคิณนิบาตณโอวาทอันนี้ราชคฤห์วัดประเจตวันนั้นซึ่งพระ คำว่าบาปหรือว่าการทุจริตในทางกายทางวาจาแล้วบำเพ็ญความ ถือว่าเป็นหัวใจของคําสอนทั้งหมดที่บรรดามี เป็นปฐมทัศน์ของเราผู้ที่จะศึกษา ได้แก่อย่างไรแก่อย่างไรธรรมดาธรรมดาปาณาติปาตาเวลมณีอย่างที่เรารับกันอยู่นิปาณาติปาตาปฏิวิรตโหติ 5 ข้อด้วยกันศีลเบื้องสุน ทั้งเป็นอธิพรหมจริยนิยสิกขาสมาธิสมาธิก็หมายถึงการสามารถอบรมจิตใจก็หมายถึงการสามารถ ฌาน 4 ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่คือสมาธิเป็นเรื่องสามารถ ละทั้งทุกข์และสุขเข้าถึงซึ่งซึ่งอุเบกขาการวางเฉยโดยที่มีสติสัพพัญญะเป็น อุทัยยตยะสคามินิย่านั่นเป็นความลูกการเกิดขึ้นหมายการปรากฏการการเกิดเป็นความรู้การเกิด การดับมลายหรืออีกในหนึ่งสังขารนี่คือปัญญาขั้นต่ําส่วน นี่คือสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดนี่นิโรธชี้บอก คำสั่งเป็นกรรหธรรมก็ดีสุขธรรมก็ดีคำว่ากรรหธรรมนั้นเป็นธรรมดำ ทั้งนี้ทั้งนั้นมองถึงการปฏิบัติเพื่อย่อมรวมลงอยู่ในหน้าที่ ย่อมจะเป็นไปโดยสําเร็จผล 2 เท้า 4 เท้าก็ตามรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายเหล่า บรรดาที่อยู่ในโลกชั้นใดคําว่าทําคําสั่งสอนของ จะต่างกันเวลากันก็ต่างก็มุ่งมั่นในการที่จะ เพื่อบรรดามีอยู่ในตัวของเราชำโรคจำระกิเลสบรรดามีอยู่ใน ได้ภาควัดปฏิบัติมีทานศีลและภาวนา วิปัสสนาอุบายเพื่อเกิดความรู้แจ้งได้แก่สติปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์และภาวะอันพึงเกิดขึ้นภายในตัวของเรา ela sẽ Talent đi bước vào b cl tron để r Black Mountain điセ thiscamp to beiction và đ grim. Mình tâm cũng không tín hoán mọi部分 của chúng ta sẽ việc làm n müssen xe tering làm r dye nó sẽ trợ hự aşa sẵn hệ từ khổ przyn một cách từître h nich b Cho chúng ta đã trợ hande chúng ta phải làm nỗi hãy ทั้งในด้านของการบริกรรมหน้าที่ของสติ เมื่อผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาได้แต่งอย่างเต็ม เขารอคอยพวกเราอยู่รอคอยการกระทํารอคอยรอคอยการบําเพ็ญของเราเท่านั้นเองถ้าเราสามารถกระทําบําเพ็ญให้ปรากฏโดยถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งนั้นก็จะตกมาเป็นสมบัติ